วินิจฉัยวิสัชนาปัญหาข้อที่สองก็แล่เพราะวิธีแสดงจริยานี้ไม่ได้มาในพระบาลีและอัตถกถาโดยประการทั้งปวงข้าพเจ้ายกมาแสดงไว้โดยอาศัยมติของอาจารย์อย่างเดียวฉะนั้นจึงไม่ควรเชื่อถือเอาโดยเป็นสาระนักเพราะเหตุว่าอาการทั้งหลายมีอุริยาบทเป็นต้นของคนราคะจริตที่แสดงไว้นั้น แม้จำพวกคนโทสะจริตเป็นต้นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทก็สามารถทำได้อยู่และสำหรับบุคคลผู้มีจริตผสมกันเพียงคนเดียวจริตทั้งหลายมีอิริยาบถเป็นต้นซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันก็เกิดขึ้นไม่ได้ส่วนวิธีแสดงจริยานี้ใดที่ท่านอัตถกถาจารย์แสดงไว้ในอัตถกถาทั้งหลายข้อนั้นเท่านั้นควรเชื่อถือโดยเป็นสาระแท้ สมกับที่ท่านกล่าวไว้ว่าอาจารย์ผู้ได้สำเร็จเจโตปาริย า, ยานจึงจักรู้จริยาแล้วบอกพระกรรมฐานได้เองส่วนอาจารย์นอกนี้ต้องถามอันเตวาสิกผู้เจริญพระกรรมฐานทั้งนั้นเพราะเหตุฉนี้จะพึงทราบได้ว่าบุคคลนี้เป็นคนราคะจริตบุคคลนี้เป็นคนจริตได้จริตหนึ่ง ในโทสะจริตเป็นต้นก็ด้วยเจโตปริย า, ยานหรือเพราะสอบถามตัวบุคคลผู้นั้นเองด้วยประการชนนี้วินิจฉัยปัญหาข้อที่สามในปัญหาข้อว่าบุคคลจริตชนิดไหนมีธรรมะเป็นที่สบายอย่างไรชนนี้นั้นมีอัธยาธิบายดังนี้ ธรรมะเป็นที่สบายของคนราคะจริตจะอธิบายถึงเสนาสนะสำหรับคนราคะจริตเป็นประการแรกเสนาสนะชนิดที่ตั้งอยู่กับพื้นดินชายขาวรอบๆอบไม่ล้างเช็ดไม่ทำกันซาดเป็นกุดีมุงหญ้าเป็นบรรณาศาลาที่มุงบางด้วยใบตองอย่างใดอย่างหนึ่งเปรอะไปด้วยละอองธุลีเต็มไปด้วยข้งขาวเล็กๆทะลุปุโปร่ปรงและประหลักหักพัง สูงเกินไปหรือต่ำเกินไปอยู่ที่ดอนมีความรังเกียดด้วยภัยอันตรายมีทางศกรปรกและสูงสูงต่ำๆแม้จะมีเตียงและตังก็เต็มไปด้วยเลือดรูปร่างไม่ดีสีไม่งามที่พอแต่เพียงลายเห็นก็ให้เกิดความรังเกียดเสนาสนะเช่นนั้นเป็นที่สบายของคนราคะจริต ผ้านุ่งและผ้าหม่มชนิดที่ขาดแหว่งที่ชายมีเส้นได้สับสนสวนขึ้นสวนลงเช่นเดียวกับขนมร่างแหมีสัมผัสสากเหมือนปอปานเป็นผ้าเศร้าหมองและหนักรักษาลำบากเป็นที่สบายของคนราคะจริตแม้บาทบาทดินชนิดที่สีไม่งามหรือบาทเหล็กชนิดที่ทำลายความงามด้วยแนวตะเข็บและหมุด เป็นบาทที่หนักส่วนสรงไม่ดีน่าเกลียดเหมือนกะโหลกศีรษะย่อมเหมาะสมแก่คนราคะจริตแม้ทางสำหรับไปบินธบาตก็เป็นทางชนิดที่ไม่พอใจห่างไกลหมู่บ้านกรุขระไม่เรียบร้อยย่อมเหมาะสมแก่คนราคะจริตแม้หมู่บ้านที่ไปรับบินธบาต ก็เป็นหมู่บ้านที่มีคนทั้งหลายเที่ยวไปทำเป็นเหมือนไม่เห็นและที่มีคนทั้งหลายนิมนต์ภิกษุผู้ได้ภิกษาแม้ในตระกูลหนึ่งแล้วให้เข้าไปสู่โรงฉันว่านิมนต์มาทั้งนี้ขอรับครั้นถวายข้าวต้มและข้าวสวยแล้วเมื่อจะไปก็พากันไปยังไม่เหลียวแลคล้ายๆกับคนรับจ้างเลี้ยงโคตอนโคเข้าในคอกแล้วก็ไม่เหลียวแลฉะนั้น หมู่บ้านเช่นนั้นเหมาะสมแก่คนราคะจริตแม้คนปรนนิบัติเลี้ยงดูก็เป็นพวกทาตหรือกรรมกรที่มีผิวพันธ์ดำไม่น่าดูผ้านุ่งสกรปรกเหม็นสาบน่าเกลียดจริงๆปรนนิบัติเลี้ยงดูด้วยอาการไม่ยำเกรงเป็นดุดเขาข้ามและเข้าสวยทิ้งฉะนั้นคนปรนนิบัติเลี้ยงดูเช่นนั้นจึงเป็นที่สบายแก่คนราคะจริต แม เ, มเข้าวต้มข้าวสวยและของเคี้ยวก็เป็นชนิดที่เลวสีสันไม่ดีที่ทำด้วยข้าวฟ่างข้าวกับแก้และข้าวปลายเกวียนเป็นต้นปเปรียงบูรผักเสี้ยนดองแกงผักเก่าๆชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียวพอให้เต็มท้องเท่านั้นเหมาะสมแก่คนราคะจริตแม้อิริยาบถอิริยาบถยืนหรืออิริยาบถเดิน เหมาะสมแก่คนราคะจริตอารมณ์กรรมฐานเป็นอารมณ์ชนิดใดชนิดหนึ่งในวันนะกะสินทั้งหลายมีนีละกะสินเป็นต้นชนิดที่มีสีไม่สะอาดตาเหมาะสมแก่คนราคะจริตนี้คือธรรมะเป็นที่สบายของคนราคะจริตด้วยประการชนิด ธรรมะเป็นที่สบายของคนโทสะจริตเสนาสนะสำหรับคนโทสะจริตนั้นเป็นชนิดที่ไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปมีร่มเงาบริบูรณ์ด้วยน้ำช้น้ำฉันมีฝาเสาและบันไดที่จัดไว้อย่างเรียบร้อยเขียนภาพลายดอกไม้ลายเครวันสำเร็จเสร็จสัรพรุ่งเรืองงามด้วยจิตกรรมนาน า, นาชนิด มีพื้นเรียกเกลี้ยงเกลานุ่มนิ่มมีพวงดอกไม้และผ้าสีอันวิจิตรประดับเพดานอย่างเป็นระเบียบคล้ายกับวิมานพรมเครื่องปูลาและเตียงตังจัดแจงแต่งไว้อย่างดีสะอาดน่ารื่นรมมีกลิ่นหอมฟุง้งด้วยเครื่องอบดอกไม้ที่จัดวางไว้เพื่อให้อบณที่นั้ น, น, นซึ่งพอเห็นเท่านั้นก็ให้เกิดความปีติปราโมทย์ เสนาสนะเห็นปานชนีเป็นที่สบายของคนโทสะจริตแม้ทางสำหรับเสนาสนะนั้นก็เป็นสิ่งปลอดภัยอันตรายทั้งปวงมีพื้นสะอาดและสม่ำเสมอประดับตกแต่งเรียบร้อยย่อมเหมาะสมแก่คนโทสะจริตแม้เครื่องใช้สำหรับเสนาสนะในที่นี้ก็ไม่ต้องมีมากนักมีเพียงเตียงและต่างตัวเดียวก็พอ ทั้งนี้เพื่อตัดไม่ให้เป็นที่อาศัยของจำพวกสัตว์ต่างๆเช่นมแมลงสาบเลือดงูและหนูเป็นต้นย่อมเหมาะสมแก่คนโทสะจริตผ้านุ่งและผ้าห่มก็เป็นประเภทผ้าเมืองจีนผ้าเมืองโสมานผ้าไหมผ้าฝ้ายและผ้าเปลือกไม้อย่างละเอียดซึ่งเป็นของประณีชนิดใดๆก็ตามเอาผ้าชนิดนั้นๆมาทาเป็นชั้นเดียวหรือสองชั้น เป็นผ้าเบาย้อมดีมีสีสะอาดควรแก่สมณะย่อมเหมาะสมแก่คนโทสะจริตบาทเป็นชนิดบาทเหล็กมีสุดทรงดีเหมือนตอมน้ําเกลี้ยงเกลาเหลาหล่อเหมือนแก้วมณีไม่มีสนิมมีสีสะอาดควรแก่สมณะย่อมเหมาะสมแก่คนโทสะจริต ทางสำหรับไปบินธบาตเป็นชนิดที่ปลอดภัยอันตรายสม่ำเสมอน่าจเจริญใจไม่ไกลไม่ใกล้หมู่บ้านเกินไปย่อมเหมาะสมแก่คนโทสะจริตแม้หมู่บ้านที่ไปรับบินธบาตก็เป็นหมู่บ้านที่มีคนทั้งหลายคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าจากมาเดี๋ยวนี้แล้วจึงปูอาสนะเตรียมไว้ณประเทศที่สะอาดเกลี้ยกล่อ รูปรับช่วยถือบาทนิมนต์ให้เข้าไปสู่เรือนนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะที่ปูไว้แล้วจึงอังคาดเลี้ยงดูด้วยมือของตนด้วยความเคารพหมู่บ้านเช่นนั้นย่อมเหมาะสมแก่คนโทสะจริตคนปรนนิบัติเลี้ยงดูเป็นคนรูปร่างสะสวยหน้าเลื่อมใสอาบน้ำชำระกายดีแล้วไล้ทาตัวดีแล้ว หอมฟุ้งด้วยกลิ่นทู่กลิ่นเครื่องอบและกลิ่นดอกไม้ประดับตกแต่งด้วยผ้าและอาพรดี ย, ย้อมด้วยสีต่างๆล้วนสะอาดและน่าภูมิใจมีปกติทำการปรนิบัติด้วยความเคารพคนปรนิบัติเลี้ยงดูเช่นนั้นจึงเป็นที่สบายแก่คนโทสะจริตแม้ข้าวต้มข้าวสวยและของเคี้ยวก็เป็นชนิดที่มีสีต้องตาถึงพร้อมด้วยกลิ่นและรสมีโอชาหน้าชอบใจ ประีตโดยประการทั้งปวงและเพียงพอแก่ความต้องการจึงเหมาะสมแก่คนโทสะจริตแม่อิริยาบถก็ต้องเป็นอิริยาบทนอนหรืออิริยาบทนั่งจึงเหมาะสมแก่คนโทสะจริตอารมณ์กรรมฐานเป็นอารมณ์ชนิดใดชนิดหนึ่งในวั น, นากสินทั้งหลายมีนีลกสินเป็นต้น ซึ่งเป็นชนิดที่มีสีสะอาดหมดจดเป็นอย่างดีนี่คือธรรมะเป็นที่สบายของคนโทสะจริตด้วยประการชนนี้ธรรมะเป็นที่สบายของคนโมหะจริตสำหรับคนโมหจริตนั้นเสนาสนะต้องหันหน้าสู่ทิศไม่คับแคบที่เมื่อนั่งแล้ว ทิตยอมปรากฏโล่งสว่างในบรรดาอิริยาบถสี่อิริยาบถเดินจึงจะเหมาะสมส่วนอารมณ์กรรมฐานขนาดเล็กเท่าตระกแกงหรือเท่าขันโอยอมไม่เหมาะสมแก่คนโมหะจริตนั้นเพราะเมื่อโอกาสคับแคบจิตก็จะถึงความมืนงงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นดวงกระสินขนาดใหญ่กว้างมากจึงจะเหมาะสมประการที่เหลือ มีเสนาสนะเป็นต้นซึ่งควรจะยกมาแสดงสำหรับคนโมหะจริตพึงเข้าใจว่ามีลักษณะเช่นเดียวกันกับการที่ได้แสดงไว้แล้วสำหรับคนโทสะจริตนั่นเองนี้คือธรรมะเป็นที่สบายสำหรับคนโมหะจริตด้วยประการชนนี้ธรรมะเป็นที่สบายของคนศรัทธาจริตเป็นต้น วิธีที่ได้แสดงมาแล้วในคนโทสะจริตแม้ทุกๆประการจัดเป็นธรรมะเป็นที่สบายสําหรับคนศรัทธาจริตด้วยและในบรรดาอารมณ์กรรมฐานทั้งหลายเฉพาะอนุสติกรรมฐานจึงจะเหมาะสมแก่คนศรัทธาจริตสําหรับคนพุทธิจริตนั้นไม่มีข้อที่จะต้องกล่าวว่าในบรรดาสัปปายะทั้งหลายมีเสนาสนะสัปปายะเป็นต้น สิ่งนี้ย่อมไม่เป็นที่สบายแก่คนพุท ธ, ธิจริตชนนี้สำหรับคนวิตกจริตนั้นเสนาสนะที่โล่งโถงหันหน้าสู่ทิศสว่างที่เมื่อนั่งแล้วสวนป่าสะบกขรณีทิวแถบแห่งหมู่บ้านนิคมชนบทและภูเขาอันมีสีเขียวเาอุ่มย่อมปรากฏเห็นเด่นชัดเสนาสนะเช่นนั้นย่อมไม่เหมาะสมเพราะเสนาสนะอันมีลักษณะเช่นนั้น ย่อมเป็นปัจจัยทำให้วิตกวิ่งพล่านไปนั่นเที่ยวเพราะฉะนั้นวิตกจริตบุคคลพึงอยู่ในเสนาสนะที่ตั้งอยู่ในซอกเขาลึกมีป่ากำบังเช่นเงื้อมเขาท้องช้างและท้ามหินทะเป็นต้นทั้งสองชื่อนี้เป็นชื่อที่มีอยู่จริงในประเทศลังกาแม้อารมณ์กรรมาฐานชนิดกว้างใหญ่ก็ไม่เหมาะสมแก่คนวิตกจริต าอารมณ์เช่นนั้นย่อมเป็นปัจจัยทําให้จิตเล่นพลานไปด้วยอํานาจแห่งวิตกแต่อารมณ์ชนิดเล็กจึงจะเหมาะสมประการที่เหลือเหมือนกับที่ได้แสดงมาแล้วสําหรับคนราคะจริตนั่นเทียวนี่คือธรรมะเป็นที่สบายสําหรับคนวิตกจริตด้วยประการชนนี้อธิบายอย่างพิสดารโดยประเภทเหตุให้เกิด วิธีให้รู้และธรรมะเป็นที่สบายของจริยาทั้งหลายซึ่งมาในหัวข้อว่าอันเหมาะสมแกจริตจริยาของตนยุติเพียงเท่านี้ส่วนกรรมฐานอันเหมาะสมแกจริยานั้นข้าพเจ้ายังจะไม่แสดงให้แจ้งชัดโดยสิ้นเชิงก่อนเพราะกรรมฐานนั้นนั้นจะปรากฏแจ้งชัดด้วยตัวเองในอัธาธิบายพิสดารของหัวข้อถัดไปนี้ วินิจฉัยกรรมฐาน40โดยอาการ10อย่างเพราะเหตุฉะนั้นในหัวข้อสังเขปที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าเรียนเอาพระกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาพระกรรมฐาน40ประการฉนี้นั้นประการแรกนักศึกษาพึงทราบการวินิจฉัยกรรมฐานโดยอาการ10อย่างดังนี้คือโดยแสดงจำนวนกรรมฐาน โดยการนำมาซึ่งอุปจาระฌานและอัปปนาฌานโดยความต่างกันแห่งฌานโดยผ่านองค์ฌานและอารมณ์โดยควรขยายและไม่ควรขยายโดยอารมณ์ของฌานโดยภูมิเป็นที่บังเกิดโดยการถือเอาโดยความเป็นปัจจัยเกื้อหนุนและโดยเหมาะสมแก่จริยาหนึ่งโดยแสดงจำนวนกรรมฐาน ในอาการสิบอย่างนั้นประการแรกข้อว่าโดยแสดงจำนวนกรรมฐานมีอาธิบายดังนี้ก็ข้าพเจ้าเด้กล่ามาแล้วว่าในบรรดาพระกรรมฐานสี่สิบประการชนนี้พระกรรมฐานสี่สิบประการณาที่นั้นท่านสงเคราะห์เข้าไว้เป็นเจ็ดหมวดดังนี้คือกสิลกรรมฐานสิบอย่างอสุภะกรรมฐานสิบอย่างอนุสติกรรมฐานสิบอย่าง กรมวิหารกรรมฐานสี่อย่างอรูปปกรรมฐานสี่อย่างสัญญากรรมฐานหนึ่งอย่างและววัฏฐานกรรมฐานหนึ่งอย่างกสินกรรมฐานสิบอย่างคือปัทวีกรสินกระสินสำเร็จด้วยดินอาโปกสินกสินสำเร็จด้วยน้ำเตโชกสินกสินสำเร็จด้วยไฟวาโยกสิน เกสินสำเร็จด้วยลมนิลกเกินกสินสำเร็จด้วยสีเขียวปีตะกสินเกสินสำเร็จด้วยสีเหลืองโลหิตะกษินเกสินสำเร็จด้วยสีแดงโอทาตะกสินกสินสำเร็จด้วยสีขาวอโลกะกสินกสินสำเร็จด้วยแสงสว่างและปริชินนาการสกเิน เกษินสําเร็จด้วยช่องว่างซึ่งกําหนดขึ้นอสุภาษกรรมฐานสิบอย่างคืออุทุมาตากะอสุภาษซากศพที่ขึ้นพองหน้าเกลียดวินีลกะอสุภาษซากศพที่ขึ้นเป็นสีเขียวน่าเกลียดวิปุภะกะอสุภาษซากศพที่มีหนองแตกพลากหน้าเกลียดวิจิตกะอสุภาษ ซากศพที่ถูกตัดเป็นท่อนๆน่าเกลียดวิคายิตกะอสุภาซากศพที่ถูกสัตว์กัดกระจุยกระจายน่าเกลียดวิขิตกะอสุภาซากศพที่ทิ้งไว้เรียราดน่าเกลียดหัตตวิขิตกะอสุภาซากศพที่ถูกสับฟันทิ้งกระจัดกระจายน่าเกลียดโลดหลโลิตกะอสุภา ซากศพที่มีโลหิตไหลออกน่าเกลียดปุรุกวกะอสุภาซากศพที่เต็มไปด้วยนอ น, น่าเกลียดและอัธิกะอสุภาซากศพที่เป็นกระดูกน่าเกลียดอนุสติกรรมฐานสิบอย่างคือพุทธานุสติระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าธรรมานุสติระลึกถึงคุณของพระธรรม สังคานุสติระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ศีลานุสติระลึกถึงศีลของตนจาคานุสติระลึกถึงการบริจาคที่ตนบริจาคแล้วเทวตานุสติระลึกถึงคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดาโมรา น, านุสติระลึกถึงความตายกายคตตาสติระลึกถึงร่างกายซึ่งล้วนแต่ไม่สะอาด อาณาปานาสติระลึกกำหนดลมหายใจเข้าออกและอุปสมานุสติระลึกถึงนิพพานอันเป็นที่ดับทุกทั้งปวงพรหมวิหารกรรมฐานสี่อย่างคือเมตตาความรักที่มุ่งช่วยทำประโยชน์กรุณาความสงสารที่มุ่งช่วยบาบัดทุกข์มุทิตาความปลอยยินดีต่อสมบัต และอุเปกขาความเป็นกลางไม่เข้าฝ่ายใดอารูปกรรมมัฐานสี่อย่างคืออากาศานันจายตนะอากาศไม่มีที่สุดวิญญาณนันจายตนะวิญญาณไม่มีที่สุดอากินจัญญายตนะความไม่มีอะไรและเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาละเอียด ซึ่งจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่สัญญาหนึ่งอย่างคืออาหารเรปฏิกูลสัญญาความหมายรู้ในอาหารโดยเป็นสิ่งที่น่าเกลียดววัฏฐานหนึ่งอย่างคือจตุธาตุววัฏฐานการกำหนดแยกคนออกเป็นธาตุสี่นักศึกษาพึงทราบการวินิจฉัยกรรมฐาน โดยแสดงจำนวนด้วยประการชนนี้ 2. โดยนำมาซึ่งอุปจาราชานและอัปปนาชานข้อว่าโดยนำมาซึ่งอุปจาราชานและอัปปนาชานนั้นมีอธาธิบายดังนี้ก็แลในกรรมฐานส0ิประการ น, นั้นเพราะกรรมฐานสิบประการคือยกเว้นกายคตาสติ กับอาณาปานาสติสะอนุสติกรรมฐานที่เหลือแปดกับอาหารเรปฏิกูลแลสัญญาหนึ่งจตุธาตุวัฏฐานหนึ่งนำมาซึ่งอุปจาระฌานกรรมฐานที่เหลือสามสิบประการนำมาซึ่งอัปปนาฌานนักศึกษาพึงทราบการวินิจฉัยกรรมฐานโดยนำมาซึ่งอุปจาระฌานและอัปปนาฌานด้วยประการชนนี้ 3. โดยความต่างกันแห่งฌานข้อว่าโดยความต่างกันแห่งฌานนั้นมีอธิบายดังนี้และในกรรมฐานสามสิบประการที่นำมาซึ่งอัปปนาฌานนั้นกะสินสิบกับอาณาปานาสติหนึ่งรวมเป็นสิบเอ็ดประการย่อมให้สำเร็จฌานได้ทั้งสี่ฌานอสุภะสิบกับกายคตาสติหนึ่ง รวมเป็นสิบเอ็ดประการยอมให้สำเร็จเพียงปฐมฌานอย่างเดียวพรมวิหารสามขั้งต้นให้สำเร็จฌานสามขั้งต้นพรมวิหารข้อที่สี่และอารู ป, ปรกรรมมทฐานสี่ยอมให้สำเร็จฌานที่สี่ฉะนั้นนักศึกษาพึงทราบการวินิจฉัยกรรมทฐานโดยความต่างกันแห่งฌานด้วยประการชนนี้ 4. โดยผ่านองค์ชาลและอารมณ์ข้อว่าโดยผ่านองค์ชาลและอารมณ์นั้นมีอ ธ, ธิบายดังนี้การผ่านนั้นมีสองอย่างคือการผ่านองชาลหนึ่งการผ่านอารมณ์หนึ่งในสองอย่างนั้นการผ่านองค์ชาญย่อมมีได้ในกรรมฐานที่ให้สำเร็จฌานสามและฌานสี่แม้ทั้งหมดทั้งนี้ เพราะทุติยาชาญเป็นต้นเป็นชานลาภีบุคคลจะพึงได้บรรลุในอารมณ์เดียวกันนั้นต้องผ่านอง์ชาญทั้งหลายมีวิตกและวิจารเป็นต้นขึ้นไปในพรหมวิหารข้อที่สี่ก็เหมือนกันเพราะแม้พรหมวิหารข้อที่สี่นั้นอัญชานลาภีบุคคลจะพึงได้บรรลุก็ต้องผ่านโสมนสเวทนาในอารมณ์ของพรหมวิหารสามมีเมตตาเป็นต้นไปเหมือนกัน ส่วนการผ่านอารมณ์ย่อมมีได้ในอารมู ป, ปกรรมฐานสี่เพราะอากาส า, า, านัญจายตนะฌานอัญชานลาภีบุคคลจะพึงได้บรรลุก็ต้องผ่านกสินอันใดอันหนึ่งในบรรดากษินเก้าอย่างข้างต้นและวิญญาณ น, านัญจายตนะฌานเป็นต้นอัญชานลาภีบุคคลจะพึงได้บรรลุก็ต้องผ่านอารมณ์ทั้งหลายมีอากาศเป็นต้นขึ้นไป การผ่านอารมณ์หาได้มีในกรรมฐานที่เหลือนอกจากนี้ไม่ฉะนั้นนักศึกษาพึงทราบการวินิจฉัยกรรมฐานด้วยผ่านองค์ฌานและอารมณ์ด้วยประการชนนี้ห้าโดยควรขยายและไม่ควรขยายข้อว่าโดยควรขยายและไม่ควรขยายนั้น มีอธิบายดังนี้กรรมฐานที่ควรขยายในกรรมฐานส0สิบประการนั้นกระสินกรรมฐานควรขยายทั้งสิบประการนั่นเทียวเพราะว่าโยคีบุคคลแผกกระสินไปสู่โอกาสได้ประมาณเท่าใดก็สามารถได้ยินเสียงด้วยทิพโสตเห็นรูปด้วยทิพจักษุและรู้จิตของสัตว์อื่นได้ด้วยจิตภายในโอภาสประมาณเท่านั้น กรรมฐานที่ไม่ควรขยายส่วนกายคตาสติกับอสุภกรรมฐานสิบประการไม่ควรขยายเพราะเหตุไรเพราะกรรมฐานเหล่านี้โยคีบุคคลกําหนดเอาด้วยโอกาสเฉพาะและเพราะไม่มีอนิสงส์อะไรและข้อที่กรรมฐานเหล่านี้อันโยคีบุคคลกําหนดเอาด้วยโอกาสเฉพาะนั้น ปรากฏใ น, นแผนกแห่งภาวนาของกรรมฐา น, นนั้นๆข้างหน้าและเมื่อโยกขีบุคคลขยายกรรมฐานเหล่านี้แล้วก็เป็นแต่เพียงขยายกองแห่งซากศพเท่านั้นหามีอานิสง์อะไรแต่ประการใดไม่แม้ความข้อนี้สมกับที่ท่านกล่าวไว้ในโสปากะปัญหาพยากรว่าข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาครูปสัญญาปรากฏชัดแล้ว แตอธิกสัญญาไม่ปรากฏชัดก็ในปัญหาพยากรณ์ น, นั้นที่ท่านกล่าวว่ารูปสัญญาปรากฏชัดแล้วท่านกล่าวด้วยอำนาจที่ได้ขยายนิมิตส่วนที่ว่าอธิกสัญญาไม่ปรากฏชัดนั้นท่านกล่าวด้วยอำนาจที่ไม่ได้ขยายนิมิตส่วนพระพุท ธ, ธพจน์ที่ตรัสไว้ว่าภิกษุแพรอธิกสัญญา ไปสู่แผ่นดินทั้งสิ้นชะนี้นั้นพระองค์ตรัสไว้ด้วยอำนาจอาการที่ปรากฏแก่ภิกษุผู้มีอัธิกะสัญญาหาได้ตรัส ด, ด้วยการขยายนิมิตไม่จิงอย่างนั้นในรัชสมัยของพระเจ้าธรรมมาโสการาศได้มีนกกาโรเวกเห็นเงาของตนที่ฝาซึ่งทำด้วยกระจกโดยรอบรอบตัวแล้วมันสาคัญว่ามีนกกาโรเวกอยู่ในทั่วทุกทิศ จึงได้ร้องออกไปด้วยเสียงอันไพเราะแม้พระเถระก็เช่นเดียวกันเพราะท่านได้สำเร็จอัธิกสัญญาจึงเห็นนิมิตปรากฏอยู่ในทั่วทุกทิศเลยเข้าใจว่าแผ่นดินแม้ทั้งหมดเต็มไปด้วยอัติชนีหากเกิดปัญหาขึ้นว่าถ้าเมื่อถือเอาความอย่างนี้แล้วภาวะที่อสุภะชานทั้งหลายมีอารมณ์หาประมาณมิได้อันหนึ่ง พระองค์ทรงสแสดงไวในธรรมะสังคหะข้อนั้นก็จะผิดเสียละสิวิสัชนาว่าข้อนั้นไม่ใช่จะผิดไปซะเลยเพราะโยคีบุคคลบางคนย่อมถือเอานิมิตในซากศพที่ขึ้นพองหรือในิซากศพที่เป็นโครงกระดูกชนิดใหญ่บางคนก็ถือเอานิมิตในซากศพเช่นนั้นชนิดเล็กโดยปริยายนี้ฌานของโยคีบุคคลบางคนจึงมีอารมณ์เล็ก บางคนมีอารมณ์หาประมาณมิได้อีกอย่างหนึ่งคำว่าฌานมีอารมณ์หาประมาณมิได้ท่านหมายเอาโยคีบุคคลที่ไม่เห็นโทษในการขยายนิมิตแห่งอสุภกรรมฐานนั้นแล้วขยายกรรมฐานนั้นแต่อย่างไรก็ตามกายคตาสติกรรมฐานกับอสุภกรรมฐานสิประการไม่ควรขยายเพราะไม่มีอนิสงส์อะไร ไม่ใช่แต่เท่านี้แม้กรรมฐานที่เหลือก็ไม่ควรขยายเช่นเดียวกับกายคตาสติและอสุภกรรมฐานนี้เพราะเหตุอะไรเพราะว่าในบรรดากรรมฐานเหล่านั้นนิมิตแห่งอาณาปานาสติเมื่อโยคีบุคคลขยายก็จะขยายแต่กองแห่งลมเท่านั้นและนิมิตแห่งอาณาปานาสตินั้นกำหนดเอาด้วยโอกาสเฉพาะเช่นนิมิตที่ปลายจมูก และริมฝีปากเป็นต้นชนี้อานาปนสติกรรมฐานจึงไม่ควรขยายเพราะมีแต่โทษอย่างหนึ่งเพราะโยคีบุคคลกาหนดเอาด้วยโอกาสเฉพาะอย่างหนึ่งพรหมวิหารสี่มีสัตว์เป็นอารมณ์เมื่อขยายอารมณ์ของพรหมวิหารเหล่านั้นก็จะขยายแต่กองแห่งสัตว์เท่านั้น ที่จะได้ประโยชน์อะไรกับการขยายกองแห่งสัตว์นั้นหามีไห่เพราะฉะนั้นแม้อารมณ์ของพรหมวิหารเหล่านั้นก็ไม่ควรขยายส่วนพระพุทธพจน์ได้ที่ทรงแสดงไว้ว่าภิกษุมีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่เมตตาจิตไปทางทิศหนึ่งอยู่ชนี้นั้นทรงแสดงด้วยอำนาจการกำหนดถือเอาตังหากหาใช่ด้วยอำนาจการขยายนิมิตไม่ จริงอยู่ภิกษุกำหนดเอาสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศหนึ่งแล้วจึงเจริญเมตตาไปโดยลำดับมีอาธิว่าอาวาสหนึ่งสองอาวาชนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุแผ่เมตตาจิตไปทางทิศหนึ่งอยู่มิใช่ภิกษุขยายนิมิตกรรมฐานอันหนึ่งในพรหมวิหารภาวนานี้เล่าก็ไม่มีปฏิภาคนิมิต ที่โยคีบุคคล น, นี้จะพึงขยายด้วยแม้การที่ปรมวิหารรชานมีอารมณ์เล็กน้อยและมีอารมณ์หาประมาณมิได้ในอัธิการนี้พึงทราบด้วยอํานาจการกําหนดเอาสัตว์จํานวนมากเป็นเกณฑ์ต่างหากแม้ในอารมณ์ของอรุปรชานสี่นั้นอากาศหมายเอาอากาศานัญจายตนะ ก็ไม่ควรขยายเพราะเป็นกสินุคตาติมากาศคืออากาศตรงที่เพลกสินออกจริงอยู่กสินุคตาติมากาศอากาศที่เพลกสินออกนั้นโยคีบุคคลพึงสนใจแต่เพียงว่าเป็นที่ปราศจา ก, กสินเท่านั้นนอกเหนือไปจากนั้นแม้จะขยายก็ไม่มีประโยชน์อะไร วิญญาณหมายเอาวิญญาณนัญจายตนะก็ไม่ควรขยายเพราะเป็นสภาวะธรรมจริงอยู่ใครๆก็ตามไม่สามารถจะขยายสภาวะธรรมได้ความปราศจากวิญญาณหมายเอาอากิจจัญญายตนะก็ไม่ควรขยายเพราะเป็นภาวะสักว่าความไม่มีแห่งวิญญาณ อารมณ์ของเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานก็ไม่ควรขยายเพราะเป็นสภาวธรรมเช่นเดียวกันกรรมฐานที่เหลืออีกสิบมีพุทธานุสติเป็นต้นก็ไม่ควรขยายโดยไม่มีปฏิภาคนิมิตเพราะกรรมฐานที่มีปฏิภาคนิมิตเท่านั้นที่เป็นกรรมฐานควรขยายและอารมณ์ที่เป็นปฏิภาคนิมิตของกรรมฐานสิบประการ มีพุทธานุสติเป็นต้นหามีไม่เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรขยายอารมณ์นั้นฉะนั้นนักศึกษาพึงทราบการวินิจฉัยกรรมฐานโดยควรขยายและไม่ควรขยายด้วยประการชนนี้หโดยอารมณ์ของฌาน ข้อว่าโดยอารมณ์ของฌานนั้นมีอ ธ, ธิบายดังนี้ก็แลในกรรมฐานสี่ิบประการนั้นกสินสิบอสุภา10อานาปานาสติหนึ่งกายคตาสติหนึ่งรวมยี่สิบสองกรรมฐานนี้มีอารมณ์เป็นปฏิภาคนิมิตกรรมฐานที่เหลือส8บปดมีอารมณ์ไม่เป็นปฏิภาคนิมิตอันหนึ่งในอนุสติสิบ ยกเว้นอาณาปานสติกับกายคตาสติเสียอนุสติที่เหลือแปดกับอาหารเรปฏิกูลสัญญาหนึ่งจตุธาว่าวัฏฐานหนึ่งวิญญาณัญจายตนะหนึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะหนึ่งรวมสิบสองกรรมฐานนี้มีอารมณ์เป็นสภาวะธรรมกะสินสิบอสุภสิบอาณาปานสาติหนึ่งกายคตาสติหนึ่ง รวมยีิบสองกรรมฐานนี้มีอารมณ์เป็นนิมิตกรรมฐานที่เหลือหกคือพรมวิหารสี่อากาสานัญจายตนะหนึ่งอากินจัญญายตนะหนึ่งมีอารมณ์ที่พูดไม่ถูกคือใช่สภาวะธรรมและไม่เป็นนิมิตอนหนึ่งวิปุภกะอสุภะโลหิตกะอสุภาพะปุรุวกะอสุภะอาณาปนาสติ อาโปกสินเตโชกสินวาโยกสินและอารมณ์คือดวงแสงแห่งพระอาทิตย์เป็นต้นที่ฉายเข้าไปข้างในโดยทางช่องหน้าต่างเป็นต้นในอาโลอากสินนั้นรวมแปดกรรมฐานนี้มีอารมณ์เคลื่อนไหวได้แต่ก็เคลื่อนไหวได้ในเบื้องต้นก่อนแต่ปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นเท่านั้นส่วนที่เป็นปฏิภาคนิมิตแล้วก็สงบนิ่งเหมือนกัน กรรมฐานที่เหลือจากแปดกรรมฐานนี้มีอารมณ์ไม่เคลื่อนไหวฉะนั้นนักศึกษาพึงทราบการวินิจฉัยกรรมฐานโดยอารมณ์ของฌานด้วยประการชนนี้เจ็ดโดยภูมิเป็นที่บังเกิด ก็แลในข้อว่าโดยภูมิเป็นที่บังเกิดนั้นมีอา ธ, าธิบายดังนี้อาสุภกรรมฐานสิบกายคตาสติหนึ่งอาหารเรปฏิกูลลสัญญาหนึ่งรวมสิบสองกรรมฐานนี้ย่อมไม่บังเกิดในเทวโลกชั้นกามาวจรเพราะซากศพและอาหารอันนาเเลียดไม่มีในเทวโลกชั้นนั้นกรรมฐานสิบสองนั้น รวมกับอาณาปานสติหนึ่งเป็นสิบสามกรรมฐานนี้ย่อมไม่บังเกิดในพรหมโลกเพราะลมอสาสะปัสสาสะไม่มีในพรหมโลกกรรมฐานอื่นๆนอกจากอารูปกรรมฐานสี่แล้วย่อมไม่บังเกิดในอรูปภ พ, พส่วนในโลกมนุษย์กรรมฐานบังเกิดได้ครบหมดทั้งสี่สิบประการฉะนั้น นักศึกษาพึงทราบการวินิจฉัยกรรมฐานโดยภูมิเป็นที่บังเกิดด้วยประการชะนี้ 8. ปโดยการถือเอาในข้อว่าโดยการถือเอานั้นพึงทราบการวินิจฉัยกรรมฐานแม้โดยการถือเอาด้วยวัตถุที่ได้เห็นได้ถูกต้องและที่ได้ยินดังนี้ ในกรรมฐานเหล่านั้นยกเว้นวายโยกสินซากระสินที่เหลือเก้ากับอสุภาสิบรวมเป็นส9เก้ากรรมฐานนี้พึงถือเอาได้ด้วยสีที่ได้เห็นอธิบายว่าในเบื้องต้นต้องแลดูด้วยตาเสียก่อนแล้วจึงถือเอานิมิตของกรรมฐานเหล่านั้นได้ในกายคาตาสติอาการห้าคือผมขนเล็บฟันและหนัง พึงถือเอาได้ด้วยสีที่ได้เห็นอาการที่เหลือยี่สิบเจ็ดพึงถือเอาได้ด้วยเสียงที่ได้ยินดังนั้นอารมณ์ของกายาคตาสติกรรมฐานพึงถือเอาได้ด้วยสีที่ได้เห็นและเสียงที่ได้ยินชนั้นนี้อาณาปานาสติก ร, รมฐานพึงถือเอาได้ด้วยการถูกต้องวาโยกสิน พึงถือเอาได้ด้วยสีที่ได้เห็นและสัมผัสที่ได้ถูกต้องกรรมฐานที่เหลืออีก18ปพึงถือเอาได้ด้วยเสียงที่ได้ยินและในกัมมฐานส0สิบประการนั้นกรรมฐานห้นรรา 5, คืออุปเบกขาพรมวิหารหนึ่งและอรูปกรรมฐานสี่อัญโยคีบุคคลผู้เริ่มลงมือทำกรรมฐานจะพึงถือเอาไม่ได้ในทันทีทีเดียว กรรมฐานที่เหลืออีกสามสิบห้าจึงถือเอาได้โดยทันทีฉะนั้นนักศึกษาพึงทราบการวินิจฉัยกรรมฐานโดยการถือเอาด้วยประการชนิดเก้ 9. โดยความเป็นปัจจัยเกื้อหนุนข้อว่าโดยความเป็นปัจจัยเกื้อหนุนนั้นมีอธิบายดังนี้ ก็แลในบรรดากรรมฐานเหล่านี้ยกเว้นอากาศสกสินเสียกสินที่เหลือเก้าประการย่อมเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแการูปปานทั้งหลายกสินทั้งสิบประการย่อมเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่อภิญญาทั้งหลายพรหมวิหารสามข้างต้นย่อมเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่พรหมวิหารข้อที่สี่ อรูปกรรมฐานบทต่ำๆย่อมเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่อรูปกรรมฐานบทสูงๆเนว่าสัญญาณสัญญายาตนากรรมฐานย่อมเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแกนิโรธาสมาบัติกรรมฐานแม้ทั้งหมดย่อมเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่การอยู่เป็นสุขแก่วิปัสสนากรรมฐานและแก่ภวะสมบัติทั้งหลายฉะนั้น นักศึกษาพึงทราบการวินิจฉัยกรรมฐานโดยความเป็นปัจจัยเกื้อหนุนด้วยประการชนนี้สิโดยเหมาะสมแก่จริยาในข้อว่าโดยเหมาะสมแกเจริานี้พึงทราบการวินิจฉัยแม้โดยความเหมาะสมแก่จริาทั้งหลายดังนี้ ประการแรกในกรรมฐานสี่สิบนั้นกรรมฐานสิบเอ็ดคืออสุภาษิตกายคตาหนึ่งย่อมเหมาะแก่คนราคะจริตกรรมฐานแปดคือพรมวิหารสี่รั น, นะกศินสี่เหมาะสมแก่คนโทสะจริตอาณาปานาสติกรรมฐานข้อเดียวเท่านั้นเหมาะสมแก่คนโมหะจริตและคนวิตกจริต อนุสติหกข้างต้นเหมาะสมแก่คนศรัทธาจริตกรรมฐานสี่คือมรณสติหนึ่งอุปสมานุสติหนึ่งจตุธาตุวัฏฐานหนึ่งอาหารเรปฏิกูลสัญญาหนึ่งเหมาะสมแก่คนพุท ธ, ธิจริตกสินกรรมฐานที่เหลือหกกับอรูปกรรมฐานสีเหมาะสมแก่คนทุกจริต แต่ว่าในกสินสิบนั้นกสินอย่างใดอย่างหนึ่งที่เล็กขนาดขันโอย่อมเหมาะสมแก่คนวิตกจริตขนาดใหญ่กว่านั้นจนขนาดเท่าจานข้าวเป็นต้นย่อมเหมาะสมแก่คนโมหะจริตชนี้นักศึกษาพึงทราบการวินิจฉัยกรรมฐานด้วยความเหมาะสมแก่จริยาในกรรมฐานสี่สิบนี้ด้วยประการชนี สรุปความในเจริยาก็แล่ถ้อยแถลงทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าแสดงไว้ด้วยอำนาจที่เป็นค่าศึกแก่กันโดยตรงอย่างหนึ่งโดยอำนาจเป็นกรรมฐานที่สบายแท้ๆอย่างหนึ่งแต่อย่างไรก็ดีขึ้นชื่อว่าภาวนาฝ่ายกุศลแล้วที่จะไม่กำจัดกิเลสมีราคะเป็นต้นหรือที่จะไม่เป็นอุปการะแก่คุณธรรมมีศรัทธาเป็นต้นเป็นอันไม่มี ข้อนี้สมด้วยพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ซึ่งมีในเมขิยะสูตรว่าพึงจเจริญธรรมสี่ประการให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปคือพึงจเจริญอาสุภกรรมฐานทั้งหลายเพื่อประหารเสียซึ่งราคะพึงจเจริญเมตตาเพื่อประหารเสียซึ่งพยาบาทพึงจเจริญอาณาปานาสติเพื่อกําจัดเสียซึ่งมิจฉาวิตกพึงจเจริญอนิจจสัญญา เพื่อถอนเสียซึ่งอัสมิมานะแม้ในราหุลสูตรพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงแสดงพระกรรมฐานเจ็ดประการโปรดพระราหุลเทระเพียงองค์เดียวโดยในยะมีอาทิว่าราหุลเธอจงเจริญซึ่งภาวนาอันมีเมตตาเป็นอารมณ์เพราะเหตุชนี้นักศึกษาจงอย่าได้ทำความยึดถือ เพียงแต่ในถ้อยถแถลงที่แสดงไว้ว่ากรรมฐานอย่างโน้นเหมาะสมแก่จริตบุคคลประเภทโน้นพึงค้นคว้าสแสวงหาอธาธิบายในคำพี ต, ต่างๆทั่วไปเถิดการวินิจฉัยกรรมฐานกถาโดยพิสดารในหัวข้อสังเขปว่าเรียนเอาพระกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาพระกรรมฐานสี่สิบประการยุติเพียงเท่านี้